คำเหล่านี้มีกําลังสามเป็นนิดต่อกันและกันนะนะก็เหมือนกับว่าเกิดมาในตระกูลขี้โรคอะนะทันบันบันทบุรุษก็ขี้โรคตายไปหมดแล้วอ่ะไอลูกหลานที่จะมีข้างหน้าก็ขี้โรคตายไปเหมือนกันเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยมจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะเพราะแต่ละอย่างก็ไม่ได้ตั้งมั่นยังกันและกันให้ตกไปยังกันและกันให้แตกทําลายไปนะความต่อต้านไม่ได้มีแก่กันและกันจึงไม่ดํารงแก่กันและกันนะ เหมือนอะไรไม่ได้ช่วยกันอะไรจริงๆเลยนะมันมีแต่ช่วยฆ่ากันนั่นแหละไม่ได้ช่วยให้รักษาอะไรจะยั่งยืนอะไรเท่าไหรหรอกไอ้ขันเหล่านี้ทำแม้ใดเนี่ยนะให้ทำนี้เกิดแล้วทำเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอั น, นะัเช่นจิตก่อนๆที่เป็นปัจจัยกับจิตขณะนี้ก็หมดไปแล้วใช่ไหมไอ้จิตขณะนี้ก็จะหมดหมดแล้วก็จะทําเป็นปัจจัยให้จิตขณะหลังๆเกิดไปอีกก็แต่ทำอย่างหนึ่งไม่ได้เสื่อมไปเพราะทำอย่างหนึ่ง ก็ขันเหล่านี้แตกเสื่อมไปโดยอาการทั้งปวงสรุปนะมันจะขันไหนมาเกินมาจากปัจจัยไหนขันเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงขันเหล่านี้อันเหตุปัจจัยเนี่ยมีในก่อนให้เกิดแม้เหตุปัจจัยในก่อนเกิดเหล่าใดเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ตายไปแล้วในก่อนเช่นว่าตาก็เป็นของไม่เที่ยงไงปัจจัยที่ทําให้เกิดตาก็ไม่เที่ยงแล้วตาที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงตาที่จะเที่ยงมาจากไหน หู ừ, มันก็ไม่เที่ยงปัจจัยของหูมันก็ไม่เที่ยงหูที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงแล้วหูมันจะเที่ยงมาจากไหนชีวิตของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงปัจจัยที่ทําให้เกิดชีวิตก็ไม่เที่ยงแล้วชีวิตเหล่าเนี้ที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงจกมีความเที่ยง e มาจากไหนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยเพราะมีกิจน้อยมากดํารงอยู่ด้วยปัจจัยอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยนะคิดดูหนะ้าร่างกายของเราเนี่ยดํารงอยู่ด้วยอาหารเน่าๆแล้วตายเน่าๆมันจะไปเหลืออะไรนะ เขาทุกอย่างมันผุมันพังมันเปื่อยมันเนา่ามันแตกทําลายเสียหายไปหมดอ่ะนะในพูดขนาดนี้ตันหามยังไม่กระเทือนเท่าไหร่นะก็ก็ไม<ๆ>่เป็นได้อ่ะนะชั่วคราวก็ก็ดีอ่ะเพราะงั้นให้มีเถอะกันนะชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยนะถ้าเกิดการถ้าเรารู้จักเปรียบเทียบนะชีวิตของยุงถ้าเทียบกับมนุษย์เนี่ยอยู่ยืนนะ<ม>ในยืนนะจังย์เคยสอนบอกเออดีอายุสั้นดีงั้นเลยเกิดบ่อยๆดีอ่ะนะ จะได้ตายบ่อยๆก็ดีเหมือนกันเนี่ยแหระไม่ดีมั่ ง, งอะเหรอใครรู้ได้ยังไงไม่ทรมานอรคือคือมันคคนะมันลบากแค่นั้นอืมแล้วแล้วมันก็ไปเกิดเป็นยุงใหม่กม เ, เกิดเต็นแมลงอ่างเงี้ยแล้วกกลถ้ามันถูกเด็ดปีกตั้งแต่เล็กๆอะ่ะต า, ตายเลยตายเถ้าขาหักอะนะ่ะเมื่อวานนี้เห็นไอ้ตัวนั่นน่ะไรๆอ่ะนจักจันอ่ะ ขาหักอนะมัเดินก็โผลกก็เพลกก็โผลกก็เ พ, พ, พ, พลกเต็มทีแล้วะนะรู้ได้ไงว่ามันไม่ทรมานว่าเพราะนั้นมันอาจจะเจ็บกว่าที่เราคิดก็ได้นะี่นะขาเคล็ด อ, อาจจะสู้มันขาหักไม่ได้หรอกงั้นทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยนะแต่ถ้าถ้าของเดราชาทั้งหลายถ้าเทียบกับเราโหมันสั้นมากแต่ของเราถ้าเทียบกับเทวดาชั้นจาตุล ม, มหาราษนะชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่เล็กน้อยนิดหน่อยไปชั่วขณะเป็นไปพลันชั่วการระบาดเดียวเดียว ตั้งอยู่ไม่ช้าดำรงอยู่ไม่นานเพราะเปรียบเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงนะของเราเนี่ยนะสมว่าจ่าตุ ม, มหาราชเก้าล้านปีนังอายุเขาอะของเราเนี่ยไม่ถึงร้อยปีจะเทียบกับเขาเทียบกันไม่ติดเลยนะแล้วของมนุษย์เนี่ยอายุไม่ตอนเนี้ยไม่เกินร้อยปีอย่างเงี้ยนะก็ของดาวดึงสามสิหกล้านปีเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนเนี่ยนะยังตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าจนถึงทุกวันยังไม่ได้เดือนหนึ่งของดาวดึงเลยอะ แล้วของเราเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบว่ากับชั้นยามานะวันหนึ่งคืนหนึ่งของยามาเท่ากับสองร้อยปีของมนุษย์น่ะเนไหมแล้วเข้ามีอายุอยู่สองพันปีทิพย์น่ะนะเทียบกับของเรามันจะสั้นขนาดไหนไม่ได้ครึ่งวันเขาเลยอ่ะไม่ได้วันเดียวของเขาเลยอ่ะเออไม่ได้ครึ่งวันของเขานะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ครึ่งวันของยามาเลยนะถ้าดูสิทธิ์เนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับสี่ร้อยปีของเราเนี่ยนะแสดงว่าไม่ได้ช่วง ช่วยามาอะไรของเขาเลยนะออ้ยสั้นมากแต่เทียบกับนิมมานารดีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็แปดร้อยปีอะ่ะเหนไวันหนึ่งคืนหนึ่งก็แปดร้อยปีของเราเนะเนี่นะถ้าปารณนิมิตตะวัสวัสดีอะ่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยพันหร้อยปีแล้วอายุของเขาเนี่ยพันหรอปีทิพต์เห็นไมโอ้ยยาวนานมากอ่ะนะทั้งของของเขาสํา น, นวนว่ายังไม่ได้หายใจเลยนะเราตายไปแล้วนไมมันสั้นมากอะ่ะทีนี้ถ้าเทียบกับพรหมอะ่ะ พรบางเนี่ยอายุเศษ็จหนึ่งส่วนสาของกลับมานะครื่องกับหนึ่งมหากลับหรือแม้กระทั่งเนวสัญญานาสัญญาเยตนาแปดหมื่นสี่พันกับมา ะ, ะของเราเนี่ยตายเกิดตายเกิดเนี่ยกระดูกถมไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไร่เลยนะเขายังไม่ได้ชาติหนึ่งเลยอ่ะนั้นของเราเนี่ยมันสั้นมากน้อยมากะนะแต่ว่าใช้ชีวิตเหมือนกับว่าจะอยู่อีกเป็นอสงไข่ปีเนี่ยนะเหมือนกับว่าตายให้ไม่เป็นเลยนะไม่ได้เตรียมตัวตายอะไรสักอย่างเลยนะ คานวณว่าจะเดินทางอยู่แมปแมปแต่ไม่ได้เก็บเข้าเก็บของอะไรจะติดไม้ติดมือไปเลยสักอย่างอนะเพลินเนี่ยนะนนนสมจริงนางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอายุของพวกมนุษย์นี่น้อยจําต้องไปสู่ปรโลกมนุษย์ทั้งหลายจําต้องประสบความตายตามที่รู้กันอยู่แล้วนะเกิดมาแล้วมันตายนะต้องไปสู่โลกอื่นทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นควรทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรยเนี่ยนะ ไม่มีมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายดูก่าฟพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดย่อมเป็นอยู่นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินกว่าร้อยปีก็มีน้อยเนี่ยนะผู้ที่เกินร้อยปีเนี่ยไม่มากใช่ไหมอย่างยุคนี้หาทําอยู่ทํายากยากหาทำอยู่ทํายาเนี่ยยากมากนะเนี่ยเพิ่งมีร้อยหนึ่งปีก็ที่ยาของจ้าฟ้าชาชาญ น, นะนี่ยยาเจ้าจชายฟ้าชาญน่ยที่อายุร้อยหนึ่งปีนี ที่เหลือถึงไม่ล่ะของของมาตายสามรอบนั้นยังไม่ได้เท่าเขาเลยอ่ะมันบางคนเนี่ยอายุยืนมากแต่ไม่มากนะแต่โดยมากอายุสั้นนั่นแหละไม่กี่ปีก็ตายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนสมัยใหม่เนี่ยโรคภัยเป็นเร็วมากกว่าเดิมเนี่ยนะเช่นคนหนุ่มๆเนี่ยนะเป็นมะเร็งเร็วกว่าเดิมเยอะเนี่ยอายุยี่สิบกว่าก็เป็นมะเร็งตายกันแล้วเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยผู้หญิงก็อายุไม่เท่าไหร่ก็เป็นมะเร็ง ตายกันไปไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็มีโรคพลานอืดโรคนะโรคมอเตอร์ไซค์โรคสารพัดโรคเนี่ยนะไม่ได้ฟังข่าวว่าสงครานตีนี้นะพ่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยตายไปเท่า ager, ไหร่แต่ว่าเป็นร้อยละไม่ต้องห่วงอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคศาสดาครั้นตรัสวยากรณาภาษิณนี้จบลงแล้วจึงตรัสเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าอายุของพวกมนุษย์เนี่ยน้อยผู้ใคร่ความดีพึงดูหมินอายุที่น้อยนี้เสีย เพิ่งรีบประพฤติให้เหมือนกับคนที่ถูกไฟไหม้บนศรีรษะฉะนั้นเพราะความตายจะไม่มาถึงไม่ได้มีวันคืนย่อมล่วงเลยไปชีวิตก็กระชั้นเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมสิ้นไปเหมือนแม่น้ำในแม่น้ำน้อยย่อมสิ้นไปฉะนั้นเนี่ยนะหน้าหนาวเนี่ยน้หน้านหนาวไปหาหน้าร้อนเนี่ย น, น้ำก็แห้งไปแห้งไปแห้งไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็หมดไปหมดไ ป, ดไปเนี่ยนะ วันคืนผ่านไปชีวิตก็ผ่านไปเนี่ยนนาฬิกาเดินหนึ่งนาทีชีวิตเราก็หมดไปหนึ่งนาทีเดินไปชั่วโมงก็หมดไปชั่วโมงฉีดปฏิทินหนึ่งวันก็ตายไปวันหนึ่งอ่ะเนียฉีดเป็นรายปีก็ตายเป็นปีหนึ่งอ่ะนีนั้นถ้าพูดแบบภาษาไทยเนี่ยปีนี้ก็ปีใหม่ใช่ไหมแปลว่าอายุก็นับขึ้นไปอีกปีหนึ่งก็เหลือน้อยอีกแล้วเนี่ยความตายก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผ้าที่นายช่างหูเนี่ยนะที่เขาทอนะ ทอได้มากเท่าไหร่ไอ้ที่เหลือก็เหลือน้อยเท่านั้นชีวิตเนี่ยถ้าอายุมากเท่าไหร่ไอ้ที่เหลือมันก็น้อยเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็กรบวนาเดินเข้าไปสู่ความตายเหมือนโคทั้งหลายที่เดินเข้าไปสู่โรงฆ่าสัตว์ฉชนั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยท่านกล่าวว่าชีวิตเนี้เป็นของน้อยมาก ผู้ที่เป็นนักปราชญ์คือใครก็คือผู้ที่มีปัญญาเครื่องทรงจําผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจําะผู้ติเตียนบาปนี่แหละเรียกว่านักปราชญ์ปัญญาเนี่ยท่านเรียกว่าทีทีระเนี่ยนะทีทีก็คือมาจากปัญญาปัญญาเนี่ยโดยศัพทบเลยว่าความรู้รู้ยังไงจริงจะรู้แบบปัญญาก็คือรู้ทั่วรู้อะไรก็รู้ทั่ววันนี้ทุก นี่ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาา ม, มิมีปฏิปทานะปัญญาที่รู้อริยสัจอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความรู้ทั่วหรื อ, อให้รู้โดยประการต่างๆก็ได้ให้รู้ว่านี้อันนี้จังรู้ว่านี้ทุกนีรู้ว่าเป็นอนัตตานเนี่ยนะรู้ว่านี้น่าเบื่อหน่าเนนยเป็นต้นนะ่ะปัญญาอย่างนี้แหละเรียกว่าความรู้ความรู้ทั่วความเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นทั่ว เลือกเฟ้นทมเลือกเฟ้นวันนี้ทุกนี้สมุ ท, ทยัยนี้นี้โรดนี้มักอ่ะนะความกําหนด ด, ออหนดีความเข้าออไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้มีปัญญารักษาตนปัญญาเป็นเครื่องจำแนกปัญญาเป็นเครื่องคิด <c oughs> เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยทำให้คิดถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาเป็นเครื่องเข้าไปเห็น ปัญญาอันกว้างขวางหลุดแผ่นดินปัญญาเครื่องทําลายกิเลสปัญญาอันนําไปรอบปัญญาเครื่องเห็นคือวิปัสนาเนี่ยนะสามปัญญะปัญญาเครื่องเจาะแทงความเป็นเครื่องเห็นชัดเนี่ยนะปัญญาเครื่องเห็นชัดปัญญาเป็นใหญ่ป yes ัญญาพละนะนะปัญญินรีปัญญาพละปัญญาเหมือนสาตราปัญญาเหมือนดังปราสาสตรปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาอันแจ่มแจ้งปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาเป็นดังแก้วความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรำ ความเห็นชอบเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญานั้ น, นจึงชื่อว่าธีรานะคือมีปัญญารู้เบาที่สุดพื้นฐานที่สุดรู้กรรมผลของกรรมสูงขึ้นไปกว่านั้นรู้วิปัสสนาเนี่ยนะรู้จนรู้วนันนี้ทุกส ม, มุทยัยนิโรธมรรครู้ทุกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นอสุภะเป็นโรคเป็นฝีรู้ว่าส ม, มุทัยเนี่ยนำก่อนในวัตตารู้ว่านิโรธเนี่ยสงบระงับจากวัตตะ ด้วยข้อปฏิบัติคือปัญญาอย่างที่กล่าวไปผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้เดี๋เรียกว่านักปราชญาอีกอย่างหนึ่งชนผู้มีปัญญาก็คือมีปัญญาในขันห้านะคื อ, อปัญญาให้เป็นไปในขันห้าพิจารณาขันห้าสอบสวนขันห้าวิจัยขันห้าผู้มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็ดู่มีปัญญาในขันก็ดูขันทวารวักอย่างนีน้มีปัญญาในธาตุก็ดูในธาตุสังยุตหรือในธาตุวิพังไปต้นมีปัญญาในอายตนะก็ สลายยตนะวิพังหรือสลายยตนะวักนั่นแหะผู้มีปัญญาในขันธาตุอายตนะหรือมีปัญญาในปฏิจจสมุปบาทก็คือในนิทานวักอั่นใปัญญาในปัจัยทั้งหลายเช่นมหาปัฏฐานหรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาในสติปัฏฐานมีปัญญาในสัมมาปัฏฐานมีปัญญาในอิทธิบาทมีปัญญาในอินทรีย์ในพระโพชฌงในอริยมรรคมีองค์แปดมีปัญญาในมรรคในผลในนิพพานอย่างนี้ชื่อว่าธีราคือนักปราชญาผู้มีปัญญาเนี่ยนะ ผู้มีปัญญาเห็นอริยสัจ ร, รู้อริยสัจทำปริญญาในขันอายตนาทาธาตุและสมุทัยแทงตลอดโพธิปัจขยธรรมบรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยผู้มีปัญญาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านบอกว่าท่านกล่าวท่านบอกท่านพูดท่านแสดงแถลงว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยน้อยเล็กน้อยนิดน้อยเป็นไปชั่วขณะเป็นไปพลันเป็นไปชั่วกาลระบาดเดียวเดียว เดี๋ยวก็ตั้งอยู่ไม่ช้าดำรงอยู่ไม่นานท่านบอกว่าปราดทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยอ น, นะน้อยมากนิดหน่อยนะมันโดยสรุปคาถาที่กล่าวไปทั้งหมดก็คือว่าเพราะฉะนั้นแหลสัตว์ผู้เกิดมาพึงศึกษาใ น, า ศ, า น, ศ, าในศาสานานี่แหละคือศึกษาไตรสิกขาในพระพุทธศาสนานี่แหละรู้กรรมใดที่ไม่เสมอคือรู้กรรมใดว่าดีเลวว่างั้นเถอะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนะ ว่าเป็นกรรมเลวเป็นกรรมไม่เสมอเนี่ยก็ไม่พึงกรรมอันไม่เลวไม่พึงทํากรรมอันเลวนั้นอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่านักป่าทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักอายุเกิดมาสั้นนิดเดียวถ้ามาทําบาปอะ่ะโอ้ยผลมันจะขนาดไหนใช่ไหมชีวิตน้อยแทนที่จะรีบทําบุญถ้ากลับไปทําบาปก็ทําไมชีวิตเนี่ยน่าการุณามากเนี่ยนะนี่มาขึ้นคาถาที่ห้าเลยนะ คาถาที่ห้าพระองค์ตรัสว่าเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้ไปในตันหาในภพทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนทั้งหลายที่เลวยังไม่ปราศจากตันหาในภพน้อยภพใหญ่ร่ําไรใกล้ปากมจุคืออันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าท่านเห็นนะนะท่านเห็นถึงสัตว์ที่ยังมีตันหาที่ยังมีใจติดใจข้องอนะที่ พลิดเพลินหมกมุ่นน่ะที่ทำความชั่วนะติดใจในอารมณ์ทั้งหลายแล้วใกล้จะตายเต็มทีอ่ะคำนวณว่าไปเห็นคนที่ติดข้องจะตายอยู่แล้วก็ยังติดอยู่อย่างนั้นเลยนะํำน ว, นวนว่าถ้าเป็นคนไข้ที่เรียกว่าติดในคอมพิวเตอร์งอมแงมเลยอาจจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวเอก็ติดงอมอ่ะนะก็ลักษณะนั้นแหละ ก็มีบางคนนะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยอักเสบเรือรังแต่อ๊ติดในไพ่งอมแ ง, งมเลยนะเล่นไพ่ไม่เลิกไม่รายนั่นแหละไ อ, อลักษณะเนี่แหละนั่นแหละก็พากันร่ํารายอยู่ในใกล้มัจุราชกันนั่นแหละไม่รู้ตัวว่าจะตายกันแล้วก็ยังไม่รู้อีกเหมือนอะไรถ้าเป็นอุปมาเหมือนกับว่าที่ใดที่หนึ่งมีคนเยอะๆแล้วระเบิดมันจะระเบิดขึ้นนะนั่นร้องรําทําเพลงกันเย้วย้าเย้ยวไม่รู้ว่าอ่ะอีกพักเดียวจะตายแล้วนะอย่างไง